นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมปุทตะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมุทตะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทตะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วให้พากันนั่งขับสมาธิในทางพุทธศาสนาะคือให้นั่งขับสมาธ เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งใจให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมพุทโธในดวงใจตั้งใจในการได้ยินได้ฟังการฟังนี้เป็นอุบายสำคัญอย่างหนึง่ง เราว่าธรรมะคำสอนในทางพุทธศาสนาท่านทายเทศหรือว่าตรัตพระธรรมเทศนาสแสดงคำให้พุทธบริษัทได้ยินได้ฟังเริ่มต้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าตลอดมาจนสาวกเจ้าทั้งหลายก็นำมา เป็นทอดทอดจนถึงพวกเราก็ยังมีการเ <c> ท <oughs> ศการทำการฟังอีกพร้อมกับการปฏิบัตินั่งกรมาฐานภาวนาด้วยการฟังนี้มีพุทธภาสิตข้อหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าสุสุสังลภเตปัญญง ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแต่เป็นคำย่อที่สุดคือว่าฟังด้วยดีแล้วก็ได้ปัญญาคำว่าฟังด้วยดีเมื่อเราฟังแล้วต้องทำในใจด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็ต้องจดจำ จำแล้วก็ต้องปฏิบัติตามให้ได้เมื่อปฏิบัติตามยังไม่ได้เราก็ไม่ให้ถอยความเพียนเพียนพยายามฟังแล้วต้องทำทำแล้วจนให้เก <c oughs> ิดมีขึ้นในจิตในใจของเราคนเราจะทำอะไรได้นั้นท่านว่าต้องอาศัยศรัทธา แต่ศรัทธานี้หมายถึงความเชื่อแต่ภาษาสำนวนที่ใส่กันมานานแล้วก็เป็นภาษากลายไปคันว่าศรัทธาก็หมายถึงว่าญาติโยมศรัทธาชาวบ้านก็หมายไปน่นอีกความจริงนั่นก็คือว่าศรัทธาความเชื่อ ความเชื่อก็คือน้ำใจของเรานี่แหละเชื่อในการนั่งสมาธิภาวนาเชื่อในการปฏิบัติบูชาภาวานาว่าเป็นทางที่จะได้ความรู้ความฉลาดความสามารถอัรานะลกิเลสในจิตในใจได้ก็ต้องอาศัยความเชื่อ ความเชื่อความเลื่อมใสความเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธานี้ในภาระทาง้าศรัทธาขึ้นต้นคือถ้ามีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วอะไรอะไรก็ต้องตามมาตามไปในนั้นศรัทธาวิริยะภาคี สติความระลึกได้สมาธิจิตตั้งมัน่นปัญญาความรลบรู้ในกองสังขารเมื่อเข้ากระบวนหมดคำว่าศรัทธานั่นก็คือภาร ะ, ะทั้งห้าความเชื่อก็เป็นภาร ะ, ะกำลังเวริยะความภาคความเพียรความพยายามไม่ทอถอยก็เป็นอันหนึ่ง ที่จะยังให้จิตใจของเราสำเร็จลุล่วงไปได้สติยิ่งเป็นองค์สำคัญสติก็คือว่าจิตรละลึกได้รละลึกได้ว่าเวลานี้เรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมสตินั่นแหละจะต้องระลึกว่าเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆจะตั้งใจฟังด้วยดี ที่ว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังแล้วทำใจให้สงบทีเลศความโกรธความโลภความหลงอันใดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจละทิ้งให้หมดเอาฟังด้วยดีสงบกายฟังสงบวาจาฟังสงบจิตใจฟัง สมาธิภาวนาจะบังเกิดมีขึ้นในใจของเราก็ต้องมีความเชื่อความเลื่อมใสคนเราทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัตินับถือพุทธครรมคำสอนของสัพพุทธิจ้าก็คือว่ามีความเชื่อเชื่อในคุณสัพพุทธิจ้าเชื่อในคุณพระธรรมเชื่อในคุณพระสง์ เชื่อในเทานในศีลในภาวนาเชื่อว่าพระพุท ธ, ธเจ้าก็ดีพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็ตามที่ท่านได้บรรลุมรรคผลตัดสู่เป็นพระพุทธญาณมันก็เกิดมีขึ้นจากจิตใจของท่านที่มีความเชื่อความเลื่อมใสในกองการกุศลทุกอย่างทุกประการ ทนี้เมื่อมาถึงตัวเราทุกคนก็ต้องสร้างพลังจิตพลังใจให้เชื่อในทางที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมไม่ใช่เขาว่าอะไรเขาบอกอะไรเราก็เชื่อไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ภาวนาดูย่อมไม่ได้เพราะว่าคนในโลก มันเป็นคนพูดมากปากเกียดไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมีโยแต่พระพุทธลูกเท่านั้นแหละท่านไม่พูดอ ง, งนั่งสมาธิท่านก็นั่งสมาธิลูกเดียวขาวานาอย่างเดียวถ้าพวกเรามากราบมาไหว้มานั่งสมาธิเฉ พ, พาะพระพักท่านท่านก็ดูเรา เราก็หมายถึงกับพุทโธองค์ไหนนั่งขัดสมาธิเพชรเอานั่งขัดสมาธิเพชรตลอดกาลใครมาติเตียนนินทาวันนั่งขัดสมาธิเพชรไม่ดีก็ไม่วันไหวท่านก็นั่งต่อไปอง์ไหนนอนชีห้หะใช้ญาตท่านก็นอนชีห้หะใชญาติภาวนาลูกเดียว แล้วก็บอกพวกเราว่าเวลาลูกคิดเรานอนก็ให้นอนอย่างเรานี่นะนอนตะแคงขวาอย่าไปนอนคว่ําไปคว่ำ ม, มากลึ้งอยู่เหมือนลูกบอลไม่ได้เวลานอนก็ตั้งใจนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด สบายดีแล้วก็ตั้งใจนอนเป็นการพักผ่อนสาริละร่างกายไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหลับแล้วหลับแล้วฝันแล้วตื่นแล้วก็เรียกลบทำจิตของตนมีมากมายหลายอย่างหลายประการ จิตทันหนึ่งเมื่อเราตื่นนอนจิตอันหนึ่งก็จะต้องเราลึกว่ากิเลสราคะมันหมดไปในใจของเราหรือยังกิเลสโทสะมันหมดไปในใจของเราหรือยังกิเลสโมหะอวิชชาตัณหาในจิตของเรามันหมดไปหรือยังมันก็จะตอบแล้ว่า ทำหมดไปมันก็ว่าหมดไปยังไม่หมดมันเกิดจ ะ, สะแสดงให้เราเห็นอยู่ในนั่นแหละถ้ามันยังไม่หมดแล้วเราอย่าไปประมาทรีบลุกขึ้นล่างหน้า <c oughs> ล่างตาหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาต่อไปอีก มันจะอ้างว่าเท้าสายบายค่ำกลางคืนกลางวันไม่ฟังหางเสียงลกขึ้นภาวนาทำละจิตใจให้ของใสสะอาดไม่ว่านายยที่ไหนโยในหมู่ในขณะในวัดในถ้ำในปา่าในลุกขมูลล้มไม้ชายคาที่ไหนก็ตาม <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องตั้งใจภาวนาทำความเทียนอยู่ในจิตในใจสถานที่ภายนอกเป็นที่อยู่ของรูปร่างกายมันก็ต้องมีที่อยู่จะาให้อยู่ในที่อันเดียวก็ไม่ได้ แม้ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ไหนก็ให้มีความตั้งใจอันนี้ฝักลงไปในใจของตนถ้ากิเลสราคะโทสะโมหายังไม่หมดไปสิ้นไปเราจะไปถอยความเกียนไม่ได้จะต้องมีศรัทธาสร้างภาระศรัทธาให้เกิดขึ้น เชื่อเลื่อมใสในกุณพระพุทธเจ้า <c oughs> ไม่ไปเชื่อลัทธิอื่นใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษละกิเลสท้อมทางวาสนาไม่มีมนุษย์และเทวดาอินสมที่ไหลณที่ไหนในไตลโลกกระธาีี จะเป็นผู้ตรัสโลด้วยพระองค์เองแล้วก็ละกิเลสด้วยพระองค์เองหมดสิ้นไม่มีนอกนจากสาวกของพระพุทธเจ้า <c oughs> ก็ทำตามปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงพระองค์ชี้แจงแสดงว่าให้ฟังด้วยดีให้ทาด้วยดีให้ปฏิบัติด้วยดี ยาได้ประมาทยาได้ทําใจของตนให้ลังเลสงสัยตั้างความเชื่อความเลื่อมใสลงไปในจิตใจให้มันเต็มที่ในดวงจิตดวงใจของเรานะี่ยเรียกว่าเต็มบริบูรณ์พุทโธอยู่ที่ใจนี้่ทำโมสังโกอยู่ที่ใจนี่ทานศีลภาวนาก็อยู่ที่ตัวที่ใจนี่ แม้จะทําทางกายพูดทางวาจาจิดการทางใจก็ต้องการจิตใจภายในนั้นเป็นหลักสําคัญคนเราที่ท่านวาใจเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วในดวงใจมันโยที่ใจโยที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในภายในถ้ารวมจ <c oughs> ิตรวมใจเข้ามาที่นี่ จ, จิตใจนั่นก็จะเย็นสบายทีนี้ถ้าไม่รวม จ, จิตใจต่อยปากลกเลยใจกิเลสมันพาคิดไปไหนก็ไปตามมันไปดิ้นรนวุ่นวายไปไม่จบไม่สิน้นไปตามอำนาจของตัณหาไม่สงบตั้งมนะั่นไม่โยู่ในตัวไม่อยู่ในใจ ไม่รู้ภายในโมเส่รู้ภายนอกรู้ออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้เข้ามารู้เข้ามารู้อย่างไรรู้ทำใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ให้จิตใจลังเลสงสัยวิตกวิจารไปอดีตอนาคตพระพุทธรธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็ให้น้อมนึกกํลำลึกเข้ามาไว้ที่ดวงใจ ที่ภาวนาพุทธโธอยู่นี่แหละเอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นไม่หลงไหลไปตามลมปากของใครในโลกเหล่านี้เขาสอนกันมานานแล้วว่าลมแดงลมพัดต้นไม้ภูเขาต้นไม้หักทางไปลมแดงว่าแรงลมที่แรงที่สุด ยังไม่แรงเท่าลมปากลมปากมนุษย์นี่แหละมันแรงมันแรงสำหรับผู้หลงผู้ได้หลงไปตามลมปากที่เล็มันแรงที่สุดลั่งไม่อยู่เอาไม่อยู่นั่นจึงเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาว่าเราต้องตั้งใจเราหมายถึงดวงจิต เราหมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่งสมาธิภาวานาก็ต้องตั้งใจนั่งอย่าเพียงแต่ว่ารูปนั่งอยู่ตาหลับอยู่แต่ใจมันคิดไปฟุ้งซ่านไปที่ไหนไม่รู้ไม่ทำมันไปที่อื่นนั่นแหละะมันอยู่ อยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ในใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก <c oughs> หรือว่าพุโทโธทุกลมหายใจเข้าออกเนึกถึงความแก่ความชราที่มาถึงจะมีแก่ตนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเนกถึงว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันมาถึงเราได้ทุกลมหายใจเข้าออก ทำตายก็จะต้องมาถึงได้ทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งเหล่านี้เป็นของหนีไม่พน้นสลัดไม่ตกแต่ก็มีอยู่ทางเดียวว่านั่งสมาธิภาวนาทําใจให้ตั้งมัน่นจริงๆถ้ามันยังไม่เน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเกินไป สมมติว่าเรานั่งอยู่ในที่กลับที่นอนของเราในปุตติวิหารบ้านเดือนของเรามันยังไม่เน็ดเหนื่อยเมื่อหิวเท่าไรก่อนนั่งบริกรรมภาวนาเลื่อยอยู่เอาจนสงบหลังรับใจสบายก่อนจึงค่อยลุกขึ้นกราพระไหวพระแล้วจึงค่อยหลับค่อยนอน แน่เรานั่งสมาธิภาวนาแล้วอย่าให้มันมีอุปทานคำว่าอุปทานคือความยึดถือบางครั้งบางคราวพอนั่งเข้าไปร่างกายมันชักจะไม่สบายเจ็บโน่นปวดนี่เป็นไปตามโรคภัยไข้เจ็บหรือยิ่งจิตใจพุ่งส่้านร่างกายก็เจ็บมากทุรนทุลายไป บางขาข้งบางขาวนั่งภาวนาไม่ค่อยได้แต่นอนได้กินได้นอนได้ภาวนาไม่ได้ไม่ลงอย่าไปเชื่อมันนั้นละตัวมารกิเลสโกหกโกกลงสับปะริขี้ยู่เชื่อบ่ได้ใจกิเลสตัณหามาณทิติทัานมีหน้าที่อย่างเดียวเราต้องเพียรละ เพียนละเพียนปล่อยเพียนวางมันอยากไปเชื่อไปหลงมันจะแอบมาข้างหลังก็ไม่หลงมาข้างหน้าก็ไม่หลงข้างต้ายข้างขวาก็ออแอบแก้ตัวข้าไม่ฟังภาวนาอย่างเดียวพุโทโธในใจคำว่าจิตว่าใจนั้นไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปหาที่อื่น ใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เข้าของไม่ใช่รูปร่างกายที่เราเห็นกันไม่ใช่เพศหญิงเพศชายนี่เป็นจิตใจใจนั้นพันว่าเป็นธาตุนามธรรมมันมีอาการอยู่สี่อาการเวทนาเสวยอารมณ์สุกทุกข์ที่มันเกิดนีขึ้นในตัวในกายในจิตเราก็ รับเอาอารมณ์นั้นสัญญาจำหมายอย่างแล้วว่าจำสีดำสีแดงคนโน้นคนนี้สังขารปรุงแต่งคิดนึกอะไรต่อมิอะไรจนกระทั่งถึงคำพูดการทำอะไรมันปรุงแงต่งทางนั้นแหละ เมื่อคิดนึกตรงแต่งอะไรก็มีความรู้สึกไปตามอาการนั่นท่านให้ชื่อว่านามธรรมรวมมาก็คือจิตใจดวงผู้รู้ผู้ฟังอยู่นี่เองมันโยภายในนี้แต่ไม่มีรูปร่างสีสันฐานไม่ได้หมายถึงเพศหญิงเพศชายคฤรืหัดนักบวชนักบ้านไม่เกี่ยวดวงจิตที่รู้โยนั่นแหละ มันรู้ที่ไหนโยที่ไหนเดีย๋ยวนี้ขณะนี้ก็รวมกำลังตั้งมัน่นลงไปนั้นสมาธิก็ตั้งลงไปที่นั้นสิ่งอื่นใดนอกจากที่รู้โยฟังอยู่ไม่ต้องไปสนใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาที่นี่ปัจจัตตังจำเพาะจิตนี้เวทิตะโพพึ่งรู้แจ้งปัจจัตตังจำเพาะจิต จำพอจิตใจของตัวที่นี่เมื่อรวมกำลังตั้งมั่นลงไปอย่างนี้อยู่เสมอเสมอจนเคยชินจิตมันก็จะค่อยเข้าใจที่ตั้งที่ละที่ถองที่ปล่อยที่วางในนั่นแหละคือจิตใจมันอยู่ใจหลงมันไป จิตมันมีอารมณ์อารมณ์ี่เลกในจิตนะมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนั้นมันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงถ้าจิตดวงที่รู้นี่แหละมันออกหนีไปจริงๆเหมือนคนตายนะคือจิตมันออกละออกจากร่างไป หรือไม่เหตุการณ์เจ็บไข้ได้ป่วยมีภัยอันตรายมากระทบกระเทือนร่างกายสังขารจนอยู่ในนี้ไม่ได้เจตดวงผู้ลกูก็หนีไปตามกิเลสต า, ตายตามบุญบาปที่ตนกระทำมานั่นไปถ้าจิตยังไม่หมดกิเลสก็ไปเกิดไป ต, ตายตามภพชาติที่ตนมีอยู่ ถ้าจิตนั้นมันภาวนาละกิเลสความโกรธโลภหลงหยาบละเอียดหมดไปจิตอันนั้นก็ไม่ไปที่ไหนแล้วเห็นแจ้งในทุกในภายในวัฏสงสารทำลายกิเลสราคะโทสะโมหะให้มันหมดสิ้นไปในจิตใจนั้นล้วก็รู้เองเห็นเองเข้าใจเองเป็นอะไรก็รู้เองล่ะ ไปรู้ไว้ก่อนนะมันไปสมมุตินิยมให้มันไปอีกไม่มีที่จบที่สิน้นตัณหามันอยู่ในกายในวาจาในจิตนั่นแหละมันหามาตันไว้ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางตันยังว่าตัณหานั่นมากมายในใจมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ยิ่งไม่ทำคุณงามความดีไม่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนากิเลสตัณหามานะทิฏฐิในจิตใจของคนของสัตว์ไม่ยอมมันไม่ยอมกันได้ตายมันก็ไม่ยอมมันจึงมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้ฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอยาได้ประมาท ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่พุทธโธในใจพุทธาอยู่ภายในพุทธโธในใจยังจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นไม่หลงหลไปกับสังขารมานจิตปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งอะไรต่อนนี้อะไรก็ยาได้หลง ตรงไปตรงมาแต่งโน่นแต่งนี่ลุ่มหลงมัวเมาทำความรู้เท่าทันยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภาวนาอยู่เอาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นเย็นสบายไม่ต้องไปเอาอยางอื่น ไม่ต้องไปคิดเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงเอายศเอาอย่างเอาความตันตะเซนเยินหยอกไม่มีที่จบที่สิน้นไม่ต้องให้ไปหาที่ไหนนะเรียกว่าทวนกระแสะใจเข้ามาตาเห็นรูปมันใครเป็นผู้เห็นก็จิต ด, ดวงรู้อยู่นี่แหละผู้เห็นถ้าจิตตรงนี่หนีออกไปแล้วมันจะรู้ได้ที่ไหนไม่มี ไปเอาก็ไม่ได้คนอื่นก็ไม่เห็นคนอื่นเห็นว่าตัวเราของเราตามสมมุติโลกก็คือว่าเห็นรูปร่างกายแล้วก็เห็นกิรยาอาการที่มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาสีหน้าสีตามันก็หมายเอาแค่นั้นจิตนั้มันเป็นดวงเดียวจริงๆ จิตหลงจิตกิเลสกันว่านี้ตั้งพันห้าตันหาร้อยแสมาสงบคิดมากไปเองถ้ารวมเข้ามาแล้วจิตดวงนี้มันอยู่ในนี้มาสงบอยู่ภายในเมื่อจิตสงบกายก็สงบวาจากระสงบตาก็สงบหูก็สงบอะไรอะไรมันสงบนหมดถ้าจิตสงบถ้าจิตนั้นแหละมันไม่สงบ อย่างยับยาบก็คือว่าจิตมันโกรธให้ใครโกรธจัดขึ้นมาแล้วก็นั่งอยู่ไม่ได้สงบปากไม่ได้คำกล่าวว่าอยู่อย่างนั้นแหละนักเข้าก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พิดให้เถียงกันตามภาษากิเลสโทสะอันนั้นให้เลิกละออกไปให้มันหมดสิน้น ไม่ให้มันโกรธใครไม่ให้มันโลภอยากได้ของใครไม่ให้มันหลงไปตามเรื่องราวอะไรเรียกว่าภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่ภาวนาอยู่ทุกขณะทุกเวลาเรียกว่าฟังธรรมอยู่ภายในฟังธรรมคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าอยู่ภายในพระธรรมพระธรรมที่พระพุท ธ, ธเจ้าทรงแสดงมีอยู่ เมโยในโลกมีโยในพุทธศาสนานี่แหละความทุกข์ความสกความเกิดแก่เจ็บตาย <c oughs> ในร่างกายสังขารจิตใจของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนี่พระพุทธเจ้าทรงตัดที่แจงแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดก็ตามพระพุทธเจ้าไม่มาเกิดก็ตาม ธรรมะทิติธรรมะนิยามตาธรรมทธามันมีอยู่อย่างนี้แหละจะมีคนรู้ก็าตามไม่มีใครรู้ก็าตามมันก็มีอยู่แต่ว่าเมื่อไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจิตใจมันซ่านไปทั่วไม่รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงไม่รู้ไม่เข้าใจ มีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำขาดเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วมันก็ไม่เห็นไม่เข้าใจก็มักจะไปตีกเป็นเพราะเหตุโน้นเป็นเพราะเหตุนี้ว่าไป ความจริงมันไม่ใช่เป็นเพราะเหตุอื่นเป็นเพราะจิตไม่สงบตั้งมัน่นจิตไม่ภาวนาอยู่ในใจพุทโธในใจไม่อยู่เอาใจตัวเองไม่อยู่เมื่อเอาใจตัวเองไม่อยู่อะไรอะไรมันก็เอาไม่ลงล่ะวุ่นวายไปหมดทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาไม่ว่าอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ ตั้งจิตตั้งใจให้มันแน่วแน่มั่นคงอยู่ภายในใจนี้ให้ได้ทุกเวลาเรียก ว, ว่าตั้งใจทำจริงๆรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในจริงๆจนจิตใจดวงนี้มาสงบตั้งมั่นลอยวางอดีตอนาคตความพุ่งสร้างลาคาญต่างๆออกไปได้หมดจิตนั่นก็จะแน่วแน่มั่นคงเป็นดวงเดียว นั่งแดดไหนก็สบายยืนแดดไหนก็สบายเดินชมกลมก็สบายนั่งภาวนาก็สบายนอนก็สบายนอนก็ไม่หลับใจมันแจ้งอยู่ในใจิตในใจอันนั้นที่นั่งโยก็หลับคือใจมันไม่แจ้งไม่ใสใจมืดใจดำ ใจโมโหโท่โสใจฟุ้งซ่านลำคาญใ จ, ใจกดใจลอบใจหลงใจมันเป็นหม้อนรกเดือดอยู่มีอะไรมากระทบกระเทือนมันก็เดือดร้อนวุ่นวายอย่างอยวไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวโยภายในใจของตัวเอง จะใช่พุทธทอที่เราได้ยินเสียงพุทธอพุทธะหมายถึงจิตใจเพียรภาวนาสงบหลงงับไม่มีโมหโหทโสฟุ้งซ่านลำคาญประการใดเป็นจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงในทางพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าอยู่ในพระธรรมพระธรรมคำสอนประพุทธเจ้านั่น มันมีอยู่ภายในมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจมันมีอยู่แล้วแต่จิตใจเราไม่มางสงบตั้งมั่นอยู่ในในพระธรรมร่างกายสังขารของเราก็เทียบเหมือนอย่างว่าตู้พระธรรมตู้พระไกรตู้พระไตรที่ดกตู้พกกระไไรตู้พกกระธรรม เต็มที่เก็บไว้ในธรรมทั้งหลายเก็บไว้ในใจกายวาจาจิตก็จิตใจที่นึกภาวนาอยู่ตั้งใจให้มั่นคงอยู่ในตัวในใจนั่นแหละแล้วว่าภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่มาให้กิเลสมันพาให้วุ่นวายภายนอกมันสงบจิตสงบใจ ใหายใจโยใจไปไม่เอาละทิ้งละทิ้งก็คือไม่ตามมันไปไม่้วยมันไปรวมกำลังมาตั้งมัน่นในจิตนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวนมว่าจินใดที่มันร่วงไปแล้วหมดไปแล้วก็จะไปเก็บมาอีกปล่อยให้มันล่วงเลยไปเสีย แต่เรื่องราวอะไรที่มันยังใหม่มาถึงก็อย่าไปคิดให้มันวุ่นวายรวมเอาตัวเอากายวาจาจิตของเราทุกคนในเวลาปัจจุบันนี้ให้มาสร้างน้ำกระทําบุญก่อสร้างกองกลางกุศลของตนอยู่เดียวนี้เวลานี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจหลงลืม มีสติระลึกอยู่ที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้โยภายในสิ่งใดมันนอกนี้ออกไปทั้งหมดมันในเที่ยงทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนสัตว์วัตถุธาตุต่งางเขาเกิดเขาแก่เขาเจ็บเขาไข้เขาตายก็เป็นเรื่องของเขากายวาจาจิตตัวเรา เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นหน้าที่ของลูกประขันนามขันอันนี้ส่วนหนึ่งจิตดวงผู้รู้ภายในต้องภาวนาสร้างกำลังศรัทธาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารวมใจเข้ามาอยู่ในใจิตในจัารจิตใจวุ่นวายไม่มีก็มีแต่ใจ สงหบหลังรับเย็นสบายไม่ไปโทษให้ใครไม่ไปพยาบาทอา่าจองเรียนขามาให้จิตใจไปติดไปข้องในที่ใดๆเทียนเท่งโยดทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจดวงนี้มันอยู่นี่ไม่ได้ไปที่ไหน เราไปเชื่อไปหลงมารที่เลกนั่นโกหกพกกลมอยู่ตลอดการไม่ยอมให้เราทำความเพียงภาวนาในจิตในใจจิตใจไม่สงบระงับก็บเพราะว่าที่เลกมารสังขารมามันลบกวนมันกวนใจให้ขนหยือใจไม่ใสใจไม่สหาใจไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ยังมีแต่เรื่องทุกเรื่องร้อนวุ้นวายแต่เรื่องภายนอกภายในจิตใจของตัวเองไม่รักษาไม่ภาวนาพระพุทธเจ้าท่านรักษาจิตใจภายในเมื่อท่านภาวนากำหนดอนาปานลมหายใจจิตใจของท่านก็แน่วแน่มั่นคงไม่ลหลงไหล ใจก็สบายทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกยิริยาบทจิตประมาทมัวเมาข้างเผลอลุ่มหลงไ ม, ม่ ม, มีเป็นจิตที่มีสติทุกเวลาเป็นจิตที่มีสมาธิทุกเวลาเป็นจิตที่มีปัญญาอยู่ทุกเวลาจิตใจพระพุทธเจ้าทั้งแหลมทั้งคมคมก็คม ี่สุดแหลมก็แหลมที่สุดทะุปูกกองได้ในกายโลกธาตุนี้นานแล้วคืว่าจิตใจพระพุทธเจ้าภาวนาละกิเลส จ, จนหมดสิ้นพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านละกิเลสภาวนาจนหมดสิ้นไปความอยากความยินลนุนใดๆที่เคยเปินมาท่านก็ตัดขาดหมด เมื่อสิเลสหมดไปใจท่านก็แจ้งใจมืดไม่มีมีแต่แจ้งลูกเลียกแจ้งต่อไปเห็นอะไรก็แจ้งครับแจ้งว่ามันเกิดมาจากเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยยังคงโยมันก็โยเปเมื่อหมดเหตุปัจจัยโยไม่ได้ก็แตกหักทำลายตายไป ยึดใจท่านดูท่านขลาดท่านก็ไม่ไปยึดมัน่นถือมัน่นในตัวในตนในเราในของของเราตั้งมันเถอะเกิดมามันจะต้องตายอย่างนี้แหละไม่ตายเมื่อเด็กมันก็ไปตายเมื่อกลางคนไม่ตายกลางคนแกขรามันจะเอาไปไว้ที่ไหนต้องตายเมื่อยังไม่ถึงความแตกความตายนั้นแหละจึงเนโอกาสอันดี ที่เราทุกข์ขนทุกดวงใจจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธหรืออุบายธรรมอันใดก็ให้รีบเร่งตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาตั้งใจให้มั่นลงไปทำไมอย่างนั้นไม่ทันการเวลาเดี๋ยวความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงก็จะวุ่นวายอีกเดี๋ยวความแก่ความชรามาถึง ก็จะวุ่นวายอีกเดี๋ยวก็จะมีเหตุการณ์อะไรต่อมีอะไรในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันมากมากรีดปฏิบัติรีรรมโดยเฉพาะก็รีดละกีเลสราคะโทสะโมหะที่มันยังมีอยู่ให้มันเบาบางหมดสิ้นไปภาวนาให้มันหมดไปสิ้นไปในคืนวันนี้เดี๋ยวนี้แหละเป็นการดี อย่าไปเลี่ยงไว้กิเลสในใจความโกรธอย่าไปเลี่ยงไว้ความโลภความหลงอย่าไปเลื่องไว้ถ้าไปเลื่องทีแลความโกรธโลภหลงไว้ในใจก็เหมือนกับเลี่ยงงูเหา่างูสางูจงบางไว้ในใจมันก็กัดตัวเองให้ตายเท่านั้นเองในนั้นเวลานี้ใจเรายังมีอยู่กายเราก็ยังมีอยู่ ให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเอาให้ได้ทุกลมหายใจเอาให้ได้ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนนอนก็ภาวน า, น า, วนาเดินก็ภาวนาเดินก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาทั้งนั้นแต่ที่ให้นั่งสมาธิภาวนานี้ เป็นเพียงระเบียดหนึ่งเท่านั้นเองภาวานาจะสมบูรณ์นทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ตั้งใจกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยกระกาลชนี สพิติโยวิวัตทันตุสภะโลโควินตสตุมาเตภวัสตวันตราโยสุขีติคายุโกภวะอิวาตนาสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังขะสัง